3. ตัติยภานวานเรื่องพระอุปนันทะสากยบุตรจองเสนาสนะ สมัยนั้นท่านพระอุปนันท์สักยบุตรถือเสนาสะนะในกรุงสาวัตถีแล้วเดินทางไปอาวาสใกล้หมู่บ้านอีกแห่งหนึ่งได้ถือเสนาสะนะในที่นั้นอีกครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายได้ปรึกษากันดังนี้ว่าท่านอุปนันท์สักยบุตรนี้เป็นผู้ก่อความบาดหมาง ก่อความทะเลาะก่อความวิวาทก่อความอื้อเฉาก่ออธิกรณ์ในสงฆ์ถ้าท่านอุปนันทะสากยบุตรจะจำพรรษาในอาวาสนี้พวกเราทั้งหมดจะอยู่ไม่ผาสุขอย่ากระนั้นเลยพวกเราจะถามท่านอุปนันทะสากยบุตรลำดับนั้น ภิกษุเหล่านั้นจึงถามท่านพระอุปนันธ์สากยบุตรดังนี้ว่าท่านอุปนันทะท่านถือเสนาสนะในกรุงสาวัตถีแล้วมิใช่หรือท่านพระอุปนันธ์สากยบุตรตอบว่าใช่แล้วท่านทั้งหลายภิกษุทั้งหลายถามว่าท่านรูปเดียว เหตุใดจึงหวงเสนาสนะไว้ถึงสองแห่งเล่าท่านพระอุปนันทะสากยบุตรตอบว่ากระผมจะสลักเสนาสนะที่นี่ไปเดี๋ยวนี้แล้วจะถือเสนาสนะในกรุงสาวัตถีนั้นบรรดาภิกษุผู้มักน้อยสันโดษตํินิประนามโพรทนาว่า ชะไหนท่านอุปนันทะสากยบุตรจึงห่วงเสนาสนะไว้ถึงสองแห่งเล่าภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามท่านพระอุปนันทะว่าอุปนันทะทราบว่าเธอเพียงรูปเดียวห่วงเสนาสนะไวสองแห่ง จริงหรือพระอุปนันทะทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมคะบุรุษชะไหนเธอผู้เดียวจึงหวงเสนาสนะไว้ถึงสองแห่งเล่าโมคะบุรุษเธอถือในที่นั้นแล้วสละในที่นี้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 ครั้นทรงตำหนิแล้วทรงแสดงธรรมีกระถารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปเดียวไม่พึงหวงเสนาสนะไวสองแห่งรูปใดหวงไว้ต้องอาบัตทุกกฏ